วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านทั้งหลายสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ธรรมได้เดินทางมาที่วัดเพื่อที่จะมา ศึกษามาปฏิบัติวิธีที่จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีการดูแลถึงจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสุขอยู่อย่างเจริญ สิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อการอยู่อย่างสุขสบายก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อัส อ, อยารักษาโรคเพราะถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่แล้วร่างกายก็จะเดือดร้อนร่างกายก็ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแก่ความตายไปก็ได้เราจึงต้องหาปัจจัยสีมาเลี้ยงดูร่างกายกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เราออกจากท้องแม่มาจนถึงบัดนี้เราก็ยังหยุดการหาปัจจัยสี่ มาเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้เพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ร่างกายเราก็จะต้องเดือดร้อนขึ้นมาทันทีใจก็เป็นเหมือนร่างกายเหมือนกันใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีปัจจัยสี่ของใจมาเป็นเครื่องดูแล เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายปัจจัยสี่ของใจก็มีอาหารของใจที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มของใจที่อยู่อาศัยของใจและยารักษาโรคใจเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจกับปัจจัยสี่ของร่างกายนี้ ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองปัจจัยสี่เช่นข้อแรกอาหารของใจนี้ไม่เหมือนไม่ได้เป็นอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายก็คือสิ่งที่เรารับประทานกันวันละสองสามมือ้อหรือสี่ห้ามือ้ออันนี้เป็นอาหารของร่างกาย แต่อาหารของใจนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราใช้รับประทานกันแต่เป็นการกระทาที่เรียกว่าการทำบุญนี้เองหรือการทำทานการทำความดีต่างๆการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะเวลาที่ใจได้ทำบุญทำทานทำความดีทำคุณทำประโยชน์ ให้กับผู้ใจจะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจขึ้นมานั่นเองนี่คือวิธีที่ให้อาหารใจที่ถูกต้องต้องให้อาหารใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการาทำความดีต่างๆด้วยการทำคุณทำประโยชน์ ให้กับผู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ถ้าผู้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทำของเรามันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจตามมา ท, าทันทีนี่แหละคืออาหารของใจที่พวกเรา ควรที่จะให้อย่างต่อเนื่องและสามารถให้ได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการทำบุญทำทานยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองหรือผู้ การจะทำความดีนี้ต้องทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์โดยถ่ายเดียวอย่าไปทำให้เกิดโทษกับผู้อื่นหรือกับตัวเราเองถ้าเราทำแล้วเกิดโทษกับตัวเราเองก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นการทำความดีทำบุญทำทางที่ถูกต้องเราก็จะต้อง รู้ว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดโทษบางทีเราทํามากเกินกว่าที่เราจะทําได้แล้วเราไปกู้หนี้ยืมสินมาทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําความดีที่ไม่ถูกต้องทําบุญแล้วทําให้เกิดโทษกับตัวเราเพราะอาจจะเป็นความอยากของกิเลส ของตันหาของความโลภอยากได้บุญมากๆอยากได้ความสุขอยากได้ผลที่เกิดจากการทำบุญแต่ตัวเองมีเงินมีทรัพสมบัติไม่มากจะแยกจะทามากๆเหมือนคนที่เขามีทรัพย์มากๆก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาทำทำอย่างนี้เรียกว่า เป็นการทำโทษให้กับตนเองแทนที่ตัวเองจะมีความสุขอยากการทำบุญก็จะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแลวมันก็ไม่ได้ทาให้บุญที่เราทานี่มากกว่ากว่าที่เราทำตามกาลังของเรา เรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นเพราะว่าปริมาณบุญในใจของแต่ละคนนี้ไม่ได้วัดอยู่ด้วยปริมาณเงินเงินของแต่ละคนนี้มีมากมีน้อยไม่เท่ากันและบุญที่ได้รับจากการทำบุญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตามปริมาณของเงินทองอ คนสองคนอาจจะทำบุญด้วยเงินเท่ากันแต่บุญที่ได้รับอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่ทำทั้งสองคนนี้อาจจะมีเงินทองไม่เท่ากันนั่นเองคนที่มีมากกว่าคนที่มีน้อยกว่าแต่ถ้าทำบุญเท่ากันนี่ ปริมาณเท่ากันคนที่ทําบุญคนที่มีเงินน้อยกว่านี้กับได้บุญมากกว่าคนที่มีเงินมากกว่าแต่ทำทำบุญด้วยปริมาณเงินเท่ากันเช่นคนมีร้านหนึ่งก็ทำหมื่นหนึ่งคนมีแสนหนึ่งก็ทำหมื่นหนึ่งเหมือนกันแต่ความรู้สึกของคนที่มีเงินแสน กับคนที่มีเงินล้านเนี่ยจะรู้สึกต่างกันคนที่มีเงินล้านทำเงินทำบุญเพียงหนึ่งมืนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าได้เสียสละมา ก, กเท่าไหร่แต่คนที่มีแสนหนึ่งแล้วทำไปหมื่นอย่างนี้จะมีความรู้สึกว่าได้เสียมากกว่าการเสียสละนี่แหละเป็นตัวที่ ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราทำบุญทำทานนี่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเราเองเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับหนูกับช้างนี่ช้างนี่เวลากินอาหารนี่ต้องกินอาหารมากกว่าหนูถึงจะอิ่มท้อง หนูนี่กินนิดเดียวก็อิ่มท้องนะแต่ช้างนี่ต้องกินมากกว่าหนูเป็นร้อยเท่าขึ้นไปถึงจะเกิดความอิ่มท้องขึ้นมาการทำาบินก็ทำให้เกิดความอิ่มใจเช่นเดียวกันผู้ที่มีเงินมากถ้าอยากจะได้ความอิ่มใจมากก็ต้องทำมากผู้ที่มีเงินน้อย ก็ทำน้อยก็ได้ความอิ่มใจเท่ากันได้ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินแต่มันอยู่สัดส่วนของเงินที่เราเสียสลับแบ่งไปถ้าเราเสียร้อยละห้าสิบถ้าสองคนคนที่มีเงินล้านกับเงินแสนนี่อยากจะมีบุญอยากจะได้บุญเท่ากัน คือได้ความอิ่มใจสุขใจเท่ากันคนที่มีเงินล้านก็ต้องทำห้าแสนร้อยละห้าสิบคนที่มีเงินแสนก็ทําแค่ห้าหมื่นทำครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วความรู้สึกในใจของทั้งคู่ก็จะเหมือนกันคือมีความอิ่มใจสุขใจเท่ากัน สวรรค์ที่ได้ไปก็จะได้อยู่บนสวรรค์ชั้นเดียวกันถึงแม้ว่าจะได้ทําบุญด้วยเงินที่ไม่เท่ากันก็ตามแต่เป็นเพราะว่าแต่ละคนนี้มีเงินทองไม่เท่ากันนั่นเองอยู่ที่สัดส่วนเนี่ว่าเราทําไปเท่าไหร่ในงไงสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่คือ การทำบุญที่ถูกต้องนอย่าไปดูที่ปริมาณเงินของคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะมีใช้ทาบุญด้วยปริมาณเงินที่มากกว่าเราแต่บุญที่เขาได้กับอาจจะไม่เท่าเราก็ได้เหมือนหนูนี่เวลากินข้าวอย่าไปมองช้างเห็นช้างกินข้าวเป็นปี๊บตัวเองก็อยากจะคิดว่าต้องกินข้าวเป็นปี๊บถึงจะอิ่ม แต่ก็ไม่จำเป็นหนกูกินข้าวแค่ช้อน2องช้อนก็อิ่มท้องแล้วแต่ช้างนี้ต้องกินข้าวสักปี๊บหนึ่งถึงจะอิ่มท้องนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างด้วยเงินทองมาให้ท่านได้ได้เห็นภาพแต่การเสียสลานี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเสียสลับ ้เงินทองเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญได้ความสุขใจอี่ใจคนที่ไม่มีเงินทองเลยก็ยังสามารถทำบุญได้ทำบุญทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยด้วยกำลังกายของตนเองเช่นไปเป็นอาสาสมัครอาจจะไปช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้คนแก่คนเฒ่าไปช่วย เลี้ยงดูโดยที่ไม่คิดเงินทองอันนี้ก็เป็นการทําบุญทําความดีได้เหมือนกันผลก็ดูที่เงินทองที่เราควรจะได้รับเช่นถ้าเราไปรับจ้างดูแลเลี้ยงดูเราจะได้วันละพันหรือวันะห้าร้อยแต่เราไม่รับเงินทองเลย ท่ากับว่าเราทำบุญร้อยทั้งร้อยเลยได้มาร้อยเราก็ทำไปหมดเลยอย่างนี้เราก็ได้บุญโดยที่ไม่ต้องมีเงินทำบุญทำคุณทำประโยชน์ได้หลายวิธีทำคุณทำประโยชน์ด้วยทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆทาบุญทำคุณทำประโยชน์ด้วยกำลังกายของเรามีความ มีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาสมัครนับใช้สังคมทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นไปเป็นอาสาสมัครเวลากู้ภัยกันมีภัยเกิดไฟไหม้มีอุบัติภัยมีน้ำท่วมมีอะไรต่างๆหรือเวลามีงานที่จำเป็นที่จะต้องมีคนมาช่วยกันทำมากๆ เพื่อให้งานได้สำเร็จรูวเรื่องไปได้อย่างดีเราก็ไปร่วมทำกันโดยที่ไม่ไปเรียกร้องค่าตอบแทนเราต้องการที่จะสละผลตอบแทนที่เราอาจจะได้รับเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นวิธีการของคางทำความดีได้เช่นเดียวกัน หรือการไปช่วยช่วยปลดเปิื้มความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นหรือช่วยชีวิตของผู้อื่นถ้าช่วยได้อย่างนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานเช่นเดียวกันนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถทำคุณทำประโยชน์ถ้าเรามีความรู้อะไรต่างๆ ที่สามารถนำมาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้เช่นเรารู้จักวิธีการทกับข้าวทากับข้าวที่มีรสชาติอร่อยถ้าใครไปเรียนจากเราแล้วเขาสามารถไปเปิดร้านขายอาหารทำมาหากินมีรายได้เข้ามาอย่างนี้ก็เป็นการทําบุญทาคุณทําประโยชน์เหมือนกันถ้าเราไม่เรียกค่าตอบแทน เราเปิดอาจจะเปิดโรงเรียนสอนทำกับข้าวโรงเรียนสอนทำเย็บปักถักร้อยโรงเรียนสอนทำความเสริมสวยความงามทำเเผาทำผมหรือตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วเราต้องการให้คนอื่นเขาได้รับความรู้จากเราเพื่อเขาจะได้นำเอาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเขาเอง เพื่อเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานการกระทำเหล่านี้ล้วนจะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทั้งนั้นนี่แหละคือวิธีการหาความสุขใจอิ่มใจที่ถูกต้องที่เป็นอาหารให้แก่จิตใจที่ไม่มีพิษมีภยัยต่อจิตใจ แต่ก็มีวิธีที่จะหาความสุขให้กับใจแบบที่ไม่ถูกต้องคือถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆไปใช้กับของหรูหราไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปอะไรกัน ด้วยการใช้เงินแบบหรูหราใช้ของแพงๆเพราะที่ว่าจะมีความสุขซื้อของแพงๆมาใช้มันก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่รู้สึกอิ่มเอิบใจแต่เป็นความสุขแบบทำให้เกิดความหิวโหวยขึ้นมาอยู่เรื่อย พอได้ไปเที่ยวได้ซื้อของแล้วไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความอยากความหิวโหยที่อยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอของหลูหลาอานนี้เป็นเหมือนยาเสพติดอันนี้ไม่ใช่อาหารของใจเวลาเราอยากจะมีความสุขจากการที่เราใช้เงินใช้ทอง ที่จะทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจไม่เกิดเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็ต้องใช้ด้วยการไปทำบุญทาทานเอาเงินนี้เอาเงินทองไปให้ทาคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่เอาไปเอาไปซื้อของเพื่อทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองถึงแม้ว่าจะให้ความสุขกับเราก็เป็นความสุขแบบยาเสพติด ระหว่างอาหารกับยาเสพติดนี่ญาตโยมคงจะเห็นความแตกต่างกันทั้งสองอย่างก็ให้ความสุขเหมือนกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มีความสุขมีความอิ่มส่วนยาเสพติดนี่เวลาเสพก็มีความสุขมีแต่มีความอิ่มแต่มันอิ่มเดี๋ยวเดียวชั่วคราวแล้วพอ ความสุขความอิ่มที่ได้จากการเสพยาเสพติดหมดไปทีนี้มันจะกลายเป็นยาพิษขึ้นกลายเป็นพิษขึ้นมาต่อจิตใจกลายเป็นโทษขึ้นมาต่อจิตใจหัวใจจะเริ่มนึกสึกหงุดหงิดลำคาญใจรู้สึกว้าเหวรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่ตามมาจากการที่เราใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขให้กับตัวเรามันทําให้เรา ไม่ช้าก็เร็วนี้จะต้องเกิดอาการหิวโหยเกิดอาการงุดเย็นไม่มีความสุขอยู่เฉยๆไม่มีความสุขแล้วต้องไปเสพใหม่ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องไปซื้อของใหม่ต้องไปช็อปใหม่คนที่มีงานเนี่ยมักจะติดการใช้เงินแบบนี้กันใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอดูเสรสมบัติในบ้านเต็มไปหมด รถมีไม่รู้กี่คันเสื้อผ้ามีไม่รู้กี่ตู้รองเท้ามีไม่รู้กี่คู่กระเป๋ามีไม่รู้กี่ใบของเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอได้มาเท่าไหร่มันก็ยังไม่อิ่มไม่พออยู่ดีมันก็ยังหิวยังโหยอยู่แต่คนที่ทำบุญทาทานเนี่ยเอาเงินไปทำบุญทาทานเนี่ยจะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเลยจะมีเท่าที่จาเป็นต้องมีเท่านั้นสาหรับ ทางร่างกายมีรถก็คันเดียวก็พอรถพอวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็พอเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็มีแค่ใบสองใบก็พอเขาจะไม่หิวโหยกับเรื่องราวเหล่านี้จะไปเที่ยวก็ไม่จะไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวเอาเวลาไปทำคุณทำบริโยชนให้แก่จิตใจในในในรูปแบบอื่นดีก่อน เพราะว่ายังมีปัจจัยอีกสามอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเสริมให้กับใจถ้าจะทำให้ใจนั้นอยู่อย่างปราศจากความทุกข์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดเอาเวลาไปหาปัจจัยอีกสามอย่างคือศีลอาหาคือเครื่องนุ่งหม่มคือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคของใจดีกว่าดีกว่าที่จะเอาเวลาไป ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มเพื่อหายาเสพติดมาให้กับใจได้เสพไปแล้วเวลาที่เกิดมีอุปสรรคไม่มีเงินมีทองที่จะไปซื้อไปใช้หบือ์ที่เคยชือ้อเคยใช้ได้ตอนนั้นก็จะรู้สึกเดือดร้อนใจหุดหยิดใจทุกข์ใจและอาจจะนำไปสู่ความซึมเศร้า ความเศร้าความ ว, า ว, ว้าเหวเพราะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนเหมือนตอนที่มีเงินมีทองได้ต้องอยู่กับที่อยู่กับบ้านหาความสุขไม่สามารถไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้เหมือนตอนที่มีทรัพย์สมบัติหรือว่าตอนที่ร่างกายไม่สบายก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดร่างกายมีโรคภัยขึ้นมาไม่ทำให้ไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มการไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้เหมือนเมื่อก่อนนี้เวลานั้นใจจะไม่มีที่พึ่งใจจะไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไม่มีความสุขมาหล่อเลี้ยงใจ ใจก็จะเกิดความเหงาความหมุดหีดิดความว้าเวความเศร้าความซึมเศร้าตามมาตามลำดำับอันนี้เป็นเป็นเหตุเพราะว่าใช้ใช้เงินซื้ออาหารผิดชนิดแทนที่จะไปซื้ออาหารให้กับใจด้วยการทำบุญทำทานทำกุลทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น กลับไปหาซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับตนเองซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปดูไปฟังไปอะไรต่างๆการกระทําเหล่านี้เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอเวลาไม่สามารถที่จะซื้อได้เวลานั้นก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งมีอาจจะถึงกับมีความรู้สึก ว้าเว่ซึมเศร้าถ้าอยากจะคิดฆ่าตัวตายต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราเอาเงินนอทองไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุขจากการกระทําของเราใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขจะทำให้ใจไม่หิวกับสิ่งเสพติดของใจจะไม่หิวกับการไป ซื้อของแพงๆไปซื้อของหรูหราไปกินไปดื่มไปเที่ยวอะไรต่างๆใจจะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆกับบ้านก็มีความสุขไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นอาหารของใจที่แท้จริงที่ชาวพุทธเราควรใจะจะกระทำกันตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราอยากถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากการใช้ทรัพย์ก็ใช้ให้มันเกิดคุณประโยชน์ด้วยการเราไปทำบุญทาทานถ้าถ้าเหลือจากการใช้ทรัพย์เพื่อดูแลร่างกายของเราเบื้องต้นเราก็ต้องใช้ทรัพย์เพื่อดูแลร่างกายของเราก่อนเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ของร่างกายให้บริบูรณ์ก่อนเช่นมีบ้านมีอาหารรับประทาน มีเครื่องนุ่งห่มมีบ้านที่อยู่อาัยและมียารักษาโรคแล้วถ้าเรายังมีเงินเหลืออยากการใช้ดูแลร่างกายเราแล้วก็เอาเงินที่เหลือนี้ไปซื้ออาหารให้กับใจอย่าไปซื้อยาเสตติดถ้าซื้อยาเสตติก็ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จาเป็นซื้อของหรูหราซื้อของแพ ง, แพง ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแก่จิตใจเหมือนกับการไปซื้ออาหารของใจด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากลําบากให้เขาได้มีความสุขบ้าง อันนี้เป็นการให้อาหารกับใจทานหรือบุญนี้เป็นอาหารของใจทําไปแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจแล้วเวลาที่ไม่มีเงินทําบุญทําทานก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเพราะความอิ่มใจสุขใจที่ได้จากการทําบุญทําทานมันก็ยังอยู่กับใจไปเป็นเวลาอันยาวนานอันนี้เป็นสิ่งที่ เราควรจะหาให้กับใจปัจจัยข้อแรกของใจก็คืออาหารที่ได้จากการทำบุญทำทานจากการทำคุณทำประโยชน์ทำความดีต่างๆนี่เองเรียกว่าอาหารของใจคือทานส่วนข้อที่สองคือเครื่องนุ่มห่มของใจร่างกายเราก็ทราบกันดีว่าต้องมีเครื่องนุ่มหม่ม เครื่องหนูห่มนี้ก็มีหน้าที่ไว้ปกปิดร่างกายป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศที่หนาวเย็นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยหรือสัตว์เลื้อยคานหรืออะไรก็ตามที่อาจจะมามากัดร่างกายเราได้แต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าไว้ใส่ก็จะมีเครื่องป้องกันไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วอีกสาเหตุหนึ่งของการ ใส่เสื้อผ้าก็เพื่อให้มีให้ดูสวยงามนั่นเองเสื้อผ้าพอนี้ก็เป็นเครื่องเสริมสวยความงามของร่างกายได้ใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการความสวยงามต้องการความปลอดภัยจากภัยที่จะมาทำให้ใจนั้นต้องทุกข์ได้ใจที่ภัยที่จะมาทำให้ใจทุกข์ได้ก็คือการกระทำบาปต่างๆนั่นเอง และการเสพอบายมุขเนี่ยเพราะถ้าเราไปเสพอบายมุขไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปทําบาปการทําบาปก็จะทําให้ใจลําทุกข์ใจเราไม่มีความสุขไม่ถ้าไม่เชื่อลองลองไปทําบาปดูลองไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูลองไปรักทรัพย์ลองไปประพฤติผิดประเพณีดูลองไปพูดปดโกหกหลอกลวงคือ เวลาทําบาปแล้วใจเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเหตุที่ทําให้เราไปทําบาปได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเสพอบายามุขคือเดิมโซรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะความเกลียดข้านและการครบคนที่เป็นคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิดอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราทุกข์ ถ้าเราดื่มโซาแล้วก็เกิดอาการมึนเมาถ้าเราไปขับรถเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะไปทำให้ผู้อื่นเข า, าเดือดร้อนเสียหายอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้แล้วเราก็จะต้องไปชดใช้กรรมที่เราทำกันอีกใจเราก็จะไม่มีความสุขรูอย่างนี้ไม่ดื่มดีกว่าเดื่มแล้วไปขับรถ แล้วมึนเมาทำให้คนอื่นนี้เขาต้องเสียชีวิตไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราทันทีแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าอภรรตของใจเสื้อผ้าอภรรก็คือศีลนี่คือการไม่กระทำบาปการรักษาศีลนี้เป็นการป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการ ทำบาปไม่ให้เข้ามาในใจ <Yeah. S 1> ก็เหมือนกับการใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากอากาศหนาวเย็นหรือเกิดจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยกัดเอาเป็นต้น <Yeah. S 1> นะใส่เสื้อผ้ามันก็ปลอดภัยจากอากาศหนาวเย็นเป็นต้นนะอันนี้ก็ป้องกันภัยสินอภรรของของใจนี้ก็คือสิน สีนี้จะทำให้เรานี่นอกจากไม่มีภัยอันตรายที่เกิดจากการกระทำบาปแล้วยังเกิดทำให้เรานี้มีความสวยงามเหมือนกับเสื้อผ้าพรที่เราสวมใส่สังเกตดูเวลาคนใส่เสื้อผ้านี้มักจะคอยดูว่าชุดนี้เหมาะกับเราไหมทำให้เราดูแล้วสง่ามีสงาาส่าราศีมีมีมีความ เชื่อถือไหมทำให้คนอื่นเขามีความเชื่อถือเรามั่นใจในตัวเราหรือไม่เราก็ต้องมีการเลือกเสื้อผ้าไว้สวมใสเพื่อให้มันเกิดความชื่นชมยินดีจากผู้อื่นแต่ถ้าเรามีสีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาเรามีสีนี้เราจะเป็นคนที่สวยงามขึ้นมาทันที เป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดีอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าคนที่มีศีลนี้นจะไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเวลาที่เราจะเลือกใครมาอยู่กับเรามาทำงานกับเรามาช่วยเราน <Subs> ี่เราก็ต้องคำนึงว่าเขามีศีลหรือไม่ถ้าเขาเป็นคนชอบลักขมโมยเป็นคนที่เคยไปฆ่ า, <อ>าคนมาแล้ว เช่นมีคนที่ไปติดคุกติดงจากการที่ไปฆ่าคนนี่ถึงแม้ไปใช้โทษแล้วออกมานี่นแผลเป็นมันยังติดค้างอยู่คนเห็นก็ไม่อยากที่จะเอามาทำงานด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวจะเกิดการกระทําที่เคยทำมาอีกหรือไม่เคยฆ่าคนอื่นมาแล้วอาจจะมาฆ่าเราอีกก็ได้ถ้าเกิดเขามีความโกรธเรา หรือเกิดเขาอยากจะได้อะไรจากเราแล้วการที่จะได้เขาจะต้องฆ่าเรานี่มันก็อาจจะทำให้เขาฆ่าเราได้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเป็นคนที่เชื่อถือได้ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยประพฤติไม่ละประพฤติผิดประเพณีไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยโกหกหลอกลวง คนที่มีศีลสีส่ข้อนี้แหละแล้วไม่ดื่มสุรายามเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตะไม่เกียดค้านอันนี้แหละเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้ใครๆก็รักจะชอบความสวยงามที่แท้จริงนี้ต้องสวยงามที่ใจความสวยงามที่ทางร่างกายนี้มันหลอกกันได้ สมาดิยิ่งหลอกได้ง่ายขึ้นเยอะมีพิธีการเสริมความงามด้วยการทำสัญญกรรมใบหน้าบ้างใบใบหน้าอกบ้างอะไรบ้างเป็นของหลอกกันทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของจริงแล้วก็ของพวกนี้ถึงแม้จะเสริมอย่างไรหรือถึงแม้ว่าจะสวยงามตามตามธรรมชาติมันก็มีวันเสริมได้เพราะร่างกายนี้มันไม่จีรังถาวร ต่อไปมันก็ต้องแก่ลงไปแล้วความสวยงามของร่างกายมันก็จะหมดไปถ้าคนเขาคบเรากับเราเพราะความสวยงามของร่างกายของเราพอร่างกายเราไม่สวยแล้วเขาก็จะไม่อยากจะคบกับเราเขาจะไม่รักเราไม่ชอบเราเหมือนตอนที่ร่างกายของเราสวยงามดันนี้เป็นธรรมดาของร่างกายความสวยงามของร่างกายนี้ ถึงแม้จะว่าไม่ได้เป็นการเสริมการแต่งเป็นไปตามธรรมชาติมันก็ยังมีวันที่จะต้องมีวันเสริมความสวยงามทางร่างกายมันไม่จีรังถาวรเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่ลงไปหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนแก่นี่เรามักจะไม่ค่อยเห็นความสวยงามในตัวของเขาดังนั้นเราอย่าไป หลงกับความสวยงามของร่างกายถ้าเราอยากจะสวยงามเขอให้เรามาสวยงามทางจิตใจกันด้วยการรักษาศีลแล้วการมีศีลนี่มันจะทาให้เราสวยงามไปตลอดถึงแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมลงไปจะแก่ลงไปนะแต่ใจนี้ไม่แก่ตามร่างกายแล้วศีลก็จะไม่เสื่อมไปกับความแก่ของร่างกาย ถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะรักษาศีลได้มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะมันเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีนั่นเองพอเราเคยทำความดีไม่ทำบาปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปกันนี่แหละคือนี่แหละคือความสวยของใจความสวยของพวกเราอย่าไปสวยที่ร่างกายกันสวยได้ก็ทำไปตามธรรมชาติ แต่มันต้องสวยทางใจถ้าสวยร่างกายแต่ใจไม่สวยนี่เวลาคนที่เขาไม่รู้ไ ม, ไม่รู้จักใจของเราเขาอาจจะชอบเรารักเราแต่พอเราพอเราไปแสดงความไม่สวยงามทางใจออกมานี่ความสวยงามของร่างกายนี้ถึงแม้ยังจะไม่เสื่อมมันก็ไม่ชนะใจของผู้อื่นได้ถ้าเราสวยงามแต่เราเป็นคนชอบโกหก ชอบรักเล็กขโมยน้อยชอบหลอกลวงคนนู้นคนนี้อันนี้ชอบไปประพฤติผิดประเพณีอย่างนี้ใครที่เขาเคยรักเราชอบเราพอเขาเห็นธาตุแท้ของเราความสวยงามความไม่สวยงามของเราจากความประพฤติบาปของเราถึงแม้ร่่งกายจะสวยขนาดไหนก็ตาม<ๆ>ก็จะไม่มีกําลังที่จะดึงดูดใจของคนนั้นให้เขารักเขาชอบเราเหมือนเดิมได้ แต่ถ้าเรามีความสวยงามทางใจนะเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตนะถึงแม้ว่าความสวยงามของร่างกายจะเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงไรแต่ความดูดดื่มใจต่อต่อจากผู้อื่นกับเรานี้ยังเหมือนเดิมแนละอาจจะมีมากขึ้นไปด้วยพอระยะเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าเราเป็นคนอย่างไรกันนะถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนดี เป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่นมันก็จะทำให้เขาชื่นชมและรักชอบเราไปจนวันตายนี่ก็คือเสื้อผ้าพรของใจไว้ป้องกันความทุกข์ไว้ป้องกันภัยที่เกิดจากการกระทำบาปและภัย แล้วก็ไว้ป้องกันไว้รักษาความสวยงามของใจคนเราเขาคนที่เขาจะรักเราชอบเราอย่างแท้จริงนั้นเขาจะดูที่ใจเราเขาไม่ดูที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายก็เป็นส่วนประกอบเล็กน้อยแต่ถ้าใจไม่สวยแล้วต่อให้ร่างกายเป็นดาราหรือเป็นนางงามจักรวาลหรืออะไรก็มันก็ไม่มี ิไม่มีพลังที่จะาดึงดูดใจของคนที่เขารู้ว่าใจของเรานี้ไม่สวยไม่งามได้ทำให้ใจสวยงามป้องกันภยัยภายนี้ก็มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาเราทําบาปใจเราก็ทุกข์แล้วบาปนี้มันก็จะสะสมไว้ในใจแล้วมันจะเป็นตัวที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายต่อไปอด้วยหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าเราทำบาปมากกว่าเราได้ทำบุญเนี่ยบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงให้เราไปเกิดในอบายกันให้ไปเกิดเป็นเดลาชาญเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกกันนี่แหละที่มาทำไมเราจึงต้องมีเปรตมีเดลาชาญมีอสุรกายมีนรกก็เพราะว่ามีใจที่ทำบาปกันนั่นเองใจที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่าง ทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทก็ไปนรกอันนี้เหตุของการมีอบายทั้งสี่เกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุสี่ประการด้วยกันนี่แต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าพรคือศีลไว้สวมใส่ให้กับใจของเรา ใจเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปและจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปใช้กรรมไปเกิดในอบายนั่นเองนี่คือเครื่องนุ่งห่มของของใจที่ชาวพุทธเราควรที่จะมีเอาไว้เพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภัยของใจข้อที่สามที่เราจะต้องมา มีกันก็คือที่อยู่อาศัยของใจร่างกายเราเรามีที่อยู่อาศัยกันทุกคนเรามีบ้านมีช่องเป็นสิ่งที่เราต้องหากันเรารู้ว่ามไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่ได้เ ด, เดือดร้อนถ้าต้องไปนอนข้างถนนไปนอนใต้สะพานนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่มีความสุขเราต้องมีบ้านที่ปลอดภัยบ้านบ้านของร่างกายก็มีไว้ป้องกันภัยต่างๆภัยที่เกิดจากดินฟ้าอากาศ ภัยที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ไม่ไม่ปรารถนาดีภัยที่เกิดจากอะไรต่างๆที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้นั้นเราก็ต้องมีบ้านกันพอเรามีบ้านเราก็จะรู้สึกปลอดภยัยในตอนคืนเวลาเราจะนอนนี่เรานอนในบ้านเรานี้ปลอดภยัยกล่าวไปนอนนอกบ้าน นอนข้างถนนนอนที่ไหนนี้เราไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะโดนภัยแบบไหนมาทำร้ายเราได้เราก็เลยต้องมีบ้านกันฉันใจใจก็ต้องมีบ้านถ้าเราต้องการให้ใจของเรานี้ปลอดภัยใจของเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจของเรามีความสุขมีความสงบเราก็ต้องมีบ้านบ้านของใจนี้เราเรียกว่าสมาธิ การทำสมาธินี้เป็นการสร้างบ้านให้กับใจของเราถึงแม้เราจะทำบุญถึงแม้เราจะรักษาศีลได้แต่ใจของเรานี้ถ้ายังไม่มีบ้านใจของเราก็ยังวุ่นวายได้ถึงแม้ไม่ทำบาปใจก็ยังวุ่นวายได้ยังเครียดได้แต่ถ้าเรามีบ้านนี้เราก็หลบภัยเข้าไปได้ความทุกข์ชนิดต่างๆนี้จะตามใจเข้าไปในสมาธิไม่ได้ พอ เ, เข้าไปในสมาธิแล้วนี่ทุกอย่างนี้ที่เป็นความทุกข์นี้จะหายไปหมดจะมีแต่ความสุขเหมือนกับเวลาที่เราเข้าบ้านเราหนีจากอากาศร้อนหนีจากภัยจากคนต่างๆพอเราเข้าไปในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศก็ความร้อนที่อยู่ข้างนอกก็ตามเข้ามาในบ้านไม่ได้คนที่จะมีความไม่ปรารถนาดจีจะคิดมุ่งทำร้ายเราก็เข้ามาไม่ได้ เราอยู่ในบ้านแล้วเรารู้สึกปลอดภัยฉันใดถ้าเราต้องการที่จะมีความปลอดภัยจากความเครียดต่างๆจากความทุกข์ต่างๆจากความกลัวความวิตกความกังวลความห่วงใ ย, ยหรือสารพัดสารเพศ ข, ของความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆนี้เราสามารถที่จะหลบมันได้ด้วยการเข้าบ้านของเราบ้านของเราก็คือสมาธิและการที่เราจะ มีบ้านเกิดขึ้นมาล้านี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก่อสร้างบ้านเครื่องมือที่จะก่อสร้างบ้านของเรานี้เรียกว่าสติเราต้องมีสติต้องสร้างสติต้องหาสติขึ้นมาคนฉลาดท่านถึงสอนพูดว่าคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตางเพราะสตางนี้สร้างสมาธิไม่ได้สร้างความสงบให้กับใจไม่ได้แต่สตินี้สร้างสมาธิสร้างความสงบได้ ป้องกันภัยที่เกิดจากความวุ่นวายใจต่างๆไม่ให้เข้ามาในใจได้อันนี้เรียกว่าสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือเป็นผู้รับเมาก่อสร้างเวลาเราอยากจะสร้างบ้านเราก็ต้องไปติดต่อกับบริษัทบ้านจัดสรรว่าอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งช่วยสร้างให้หน่อยเราก็จะชี้บอกนี่บ้านอย่างนี้เอาไหมสร้างให้ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ ถ้าเห็นว่าเออบ้านนี้สวยหน้าอยู่แล้วก็ตอบตกลงเข้าไปจ่ายเงินดาวไปอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะได้สมาธิได้ความสงบเราก็ต้องมีสติเป็นผู้สร้างให้ให้กับเราเพราะเราเองตามลำทังนี้ไม่สามารถสั่งให้ใจสงบได้อยู่ดีๆบอกต่อไปนี้ให้นิ่งสงบไม่ให้คิดไม่ให้อะไรไม่ให้วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆเราสั่งมันไม่ได้เพราะเรายังไม่มีที่ให้มันเข้าไปหลงนั่นเอง เราต้องสร้างบ้านให้มันมีที่ให้มันเข้าไปหลบก่อนเราก็ต้องอาศัยสติผู้ก่อสร้างสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเหล่านี้ค่อยๆสงบลงไปตามลำดับของกําลังของสติที่เราสร้างขึ้นมาถ้ามีสติเราจะคอยควบคุมความคิดต่างๆเป้าหมายของการมีสติก็เพื่อใช้สตินี้ให้หยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบ แล้วจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ตามลำดับต่อไปดังนั้นการที่เราจะมีสมาธิมีบ้านไว้หลบภัยต่างๆเราต้องมีสติต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีเจริญสติก็คือให้ใจเหล่านี้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างที่เคยคิดมาให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อันนี้เรียกว่าพุทธานุสติการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสติหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่ากายยะคตาสติเราเอาร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของสติให้ใจเรานี้คอยดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรก็ตามให้ใจดูการเคลื่อนไหวดูการกระทา กานอาบน้ e. no ini, no care, otro, no ําก็ให้ใจดูการอาบน้ําของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องกินข้าวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องทํางานไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องทําอะไรอย่างอื่นต่างๆนานายังไม่ถึงเวลาที่จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นตอนนี้เรื่องราวที่เราต้องคิดอยู่มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องการอาบน้ําอยู่กับการอาบน้ําไปเวลาแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันไป เวลาล้างหน้าก็อยู่กการล้างหน้าไปแปลว่าร่างกายกำลังทำอะไรเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาที่ร่างกายไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกแทนเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งหลับตาไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะดูอะไรก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกดูลมเข้าดูลมออกไม่ต้องไปบังคับลม ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกๆเยาวๆอย่างนี้ไม่ไม่ต้องเพราะเราไม่ต้องการให้ใจทําอะไรต้องการให้ใจนิ่งให้ใจเฉยให้ได้การจะนิ่งจะเฉยนี่ใจต้องปล่อยวางร่างกายไม่ไปควบคุมร่างกายถ้าร่างกายยังมีการขึ้นไหวอยู่แสดงว่าใจยังต้องทํางานอยู่เพราะใจจะเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้กินให้ดื่มให้ทําอะไรต่างๆ ยังมีการเคลื่อนไหวของทางร่างกายอยู่ใจจะนิ่งไม่ได้ใจจะสงบไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้สงบนี่หลังจากที่เราได้เจริญสติด้วยการคอยควบคุมบังคับใจให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายได้แล้วไม่ไปคิดเรื่องอื่นได้แล้วพอเวลาเรามานั่งเราก็ให้มันดูลมไปเพียงอย่างเดียวถ้ามันดูลมแล้วมันเป็นไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้ไม่นานภายในห้านาทีสิบนาที ใจก็จะนิ่งจะสงบพอใจนิ่งสงบแล้วก็เรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมามีความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้รับจากสิ่งอื่นๆนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้รับจากความสงบของใจแล้วนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพระุทธเจ้าทรงตรัสว่านัติสันติปรังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกับความสงบไม่มีถ้าเราได้เข้าถึงความสงบความสุขอันนี้แล้วเราจะเบื่อกับความสุขในรูปแบบอื่นทันทีต่อไปเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆเราไปเข้าสมาธิดีกว่าเราก็มีบ้านที่เราจะได้ไปหลบภัยได้ แต่เราก็เข้าสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาเพราะเราต้องมีภารกิจต่างๆต้องทำเราก็ต้องออกมาจากสมาธิไปทำงานไปหากินไปเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรต่างๆใจก็อาจจะเครียดอาจจะวุ่นวายขึ้นมาก็ได้แต่พอเราพอเรารู้ว่าเราเครียดเราทุกข์เราก็อาจจะหลบไปหามุมสงบที่ไหนนั่งคนเดียวหลับตาทำใจให้สงบเอาใจเข้าสมาธิไปชั่วคราวเพื่อ บรรเทาความเครียดความทุกข์ต่างๆให้มันหายไปชั่วคราวแล้วพอมันหายไปแล้วเราก็ค่อยออกมาแล้วเราก็ค่อยกลับมาทําหน้าที่ทําการงานของเราต่อไปอันนี้คือที่พึ่งทางใจหรือบ้านของใจเวลาที่ใจไม่ปลอดภัยใจมีเรื่องมีราวมาทําให้เกิดความวุ่นวายใจใเกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเข้าสมาธิกัน แต่ถ้าเราไม่ฝึกกันไม่ก่อนพอเวลาใจเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมามันเข้าไม่ได้หาทางเข้าไม่ได้ยังไม่ได้สร้างบ้านยังไม่มีสมาธิเราจึงทั้งพยายามหาเวลามาฝึกสมาธิกันเพราะการฝึกสมาธินี้จําเป็นที่จะต้องมีเวลาที่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามีวันฝึกสมาธิในวันหยุดทางานสักหนึ่งวัน วันนั้นเราจะไม่ทำภารกิจอะไรอย่างอื่นนอกจากการเจริญสตินอกจากการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบเป็นแล้วสร้างบ้านได้แล้วต่อไปเราก็สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องมีวันพระมีวันหยุดวันว่างถึงจะมาทำได้แต่ถ้าเรายังไม่มีเบื้องต้นนี้เราต้องหาเวลาว่าง ที่มันต่อเนื่องกันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอย่างนี้ให้เราได้มีเวลาได้เจริญสติคอยควบคุมความคิดคอย ห, หยุดความคิดไว้เพราะความคิดนี่แหละที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขเราต้องใช้สติคอยควบคุมมันด้วยการเจริญพุทธา น, นุสติก็ได้คือพุโทโธพุโทโธไปท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิด หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบทก็ได้ถ้าเรามีสติพอเรามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งได้สงบได้มีสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมให้มันชํานาญนี่คือการสร้างบ้านให้แก่จิตใจก็คือการฝึกทำสมาธินั่นเอง พอเวลาใจเราทุกข์เราเดือดร้อนเราก็เข้าสมาธิไปถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่างถาวรอย่างน้อยก็ทําให้มันไม่มามารบกวนเรามากจนเกินไปเรามีที่หลบที่ซ่อนพอเราออกมาเราก็อาจจะมาเจอความทุกข์ความวุ่นวายใจใหม่ถ้าเราอยากที่จะทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ที่เวลาเราออกจากสมาธิมานี้มันหายไปหมดนี้เราต้องใช้ยาคือยารักษาโรคใจเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจก็คือโรคของใจนี่ความเครียดต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคของใจที่สมาธินี้ไม่สามารถที่จะกำจัดได้เพียงแต่เป็นที่หลบหลบจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ชั่วคราว แต่เวลาออกจากสมาธิมาก็จะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ต่อไปอีกถ้าอยากที่จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ความทุกข์ความเครียดต่างๆความหวาดกลัวความวิตกความกังวลนี้หมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องหายาของใจมากินกันหาธรรมโอสถธรรมโอสถ ด, ด้วยยาของใจนี้เราเรียกว่าปัญญาความรู้เรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร และวิธีที <mis> ่จะทำให้ความทุกข์นั้นหมดไปเกิดจากอะไรทำได้อย่างไรถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าทุกข์ของเรานี้มันก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีความปลอดภัยพอไม่ปลอดภัยก็ทุกข์แล้วอยากได้สิ่งที่เราต้องการพอเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็ทุกข์อยากไม่ให้สิ่งที่เรามีอยู่จากเราไปพอมันจากเราไปมันก็ทาให้เราทุกข์ วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เราต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่มีการพัดพรากจากการเป็นธรรมดาอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากเป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศ วันนี้เราจะอยากให้แดดออกมันก็ไม่ออกเราไปสั่งให้มันออกก็ไม่ได้เวลามันฝนตกเราจะสั่งให้มันหยุดก็สั่งไม่ได้ฉันใดสิ่งต่างๆที่เราไปอยากก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศนั่นเองบางทีเราอยากเราก็ได้เราก็คิดว่าเราเก่งแต่พอเราอยากแล้วไม่ได้นี่เราก็เสียใจทุกใจเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปสั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือการนี่คือปัญญา เราต้องพิจารณาทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครสั่งให้ฝนตกแดดออกได้ฝนจะตกแดดจะออกมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีใครเป็นคนมาจัดการ มีไม่เหมือนกับภาพยนตร์ที่มีผู้กำกับว่าให้คนนี้แสดงบทนั้นให้คนนั้นแสดงบทนี้มันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยฝนมันจะตกมันก็มีเหตุปัจจัยทําให้มันตกอากาศมันจะร้อนมันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันร้อนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่นิ่งไม่เฉยไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่เราจะต้องหมั่นสอนใจเราให้เราเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงรับกับการสูญเสียเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเช่นร่างกายของเรานี้เราก็ควบคุมให้มันอยู่กับเราไปไม่ได้ตลอดร่างกายมันก็มีมีขั้นตอนของมันมี มีวิถีของมันมีการดําเนินของมันมันเกิดแล้วมันก็จะเริญเติบโตขึ้นมาพอมันโตเต็มที่มันก็เริ่มถอยหลังมันนักถอยหลังเริ่มแก่ลงไปเทเล็กเทเลน้อยพอเริ่มแก่ลงก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาแล้วในที่สุดก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มันก็ตายไปพอตายไปมันก็หายไปหมดร่างกายที่เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไป เ้าใบเผ า, าก็กลายเป็นขี้เต้าเป็นขี้ดินไปเอาใบฝังก็กลายเป็นดินไปเหลือแต่โครงกระดูกอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยปัญญารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เป็นของที่ถาวรมันต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วแล้วเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์เราก็จะหวาดกลัวกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้ากาดไปห้ามดินฟ้ากาศไม่ได้ฉันใดเราก็ไปห้ามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ได้ฉันนั้นถ้าเรายอมถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยวางร่างกายไปถึงเวลามันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปถึงเวลามันจะเจ็บก็เจ็บไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดี เช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ไปก่อนเราแล้วก็ไปก่อนมันแล้วก็ไปพร้อมๆกันเวลาตายนี่เราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวต้องพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดอย่าไปอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอน เพราะความอยากนี่แหละที่ทําให้เราเครียดกันทําให้เราทุกข์กันแต่พอเราไม่มีความอยากพอเราเห็นด้วยความจริงว่าห้ามห้ามสิ่ ง, งต่างๆไม่ได้สิ่ ง, งต่างๆเขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาพอเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปอากาศจะหนาวก็อยู่กับมันไปอากาศจะร้อนก็อยู่กับมันไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันได้แต่เรื่องอย่างอื่นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราไปคิดว่าเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แต่ความจริงก็ควบคุมบังคับได้ในบางเรื่องบางเวลาทันองแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามไม่ได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้มันแก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันตายก็ห้ามไม่ได้นี่แหละคือปัญญายาที่เราจะมาใช้สอนใจเป็นยารักษาโรคของความเครียดต่างๆโรคของความซึมเศร้าโรคของความผิดหวังอะไรต่างๆเพราะเราจะสอนให้ใจไม่ให้ไปหวังกับอะไรเพราะหวังไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิด อะไรจะเป็นอะไรพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นเราต้องอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไปตลอดไปนี่แหละคือสิ่งที่เราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันคือปัจจัยสี่ทางด้านจิตใจส ร, สร้างอัางหารของจิตใจด้วยการทาบุญทาทานรักษาความดีทาความดีต่าง สร้างเสื้อผ้าอาภรรยเครื่องนุม่มห่มด้วยการมีศีลละเว้นจากการทำบาปเอาบายามุกสร้างบ้านให้กับใจด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ใจมีสมาธิมีที่หลบภัยแล้วก็สร้างยาให้กับใจด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรที่นิ่งที่ถาวรเหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมไม่มีใครควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการพอไม่ได้ตามที่เราต้องการก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดอย่างถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เครียดนี่แหละคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีกันถ้าเราต้องการให้จิตใจของเรานี้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายของเรา เราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยาทาวารรวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานางอุ ป, ปกัรปฏิยชิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสนิจจโทสัพเทปุเรนตูสังกปา ยันโทปันาราโสยธามะนิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีขายุโกภวะอธิวาธนาสีฤทสะนิจจังวุธาปะจายโน ยตารโหธัมมาวทันติอายุวันโอสุขังพาลาช่วงตอบไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะสะดวกต่อการถามตอบคำถาม พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีการเก็บข้าวเก็บของอะไรกันนั้นใครอยากจะถามเดี๋ยวขอเชิญได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือท่านที่มีมีมือถือส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้เดี๋ยวขอถามเรื่องผู้ติดตามก่อนวันนี้มีเท่าไหร่ สำหรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มียอดผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์441ท่านเจ้าค่ะ YouTube พระอาจารย์234ท่าน YouTube ของด r V c h a n ร e l 99ท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านครับเฮา16ท่านหน้ากุติ128ท่านรวมทั้งหมดเป็น929ท่านเจ้าค่ะา คุณโยมมีคำถามก็เช่นเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปก่อนอให้คุณโยมถามก่อนอตามสบายใจยมเจ้าข่า ก, การ<ล>นวะัสการการนวัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งเจ้าค่ะคือโยมมีปัญหาจะกราบเรียนถามถ้าเผื่อเราได้มา ทำบุญอุทิศกุศลไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญทานรักษาศีลหรือภาวนาโดยเพาะการบําเพ็ญทานซึ่งเป็นการทําที่ง่ายที่สุดแล้วเราก็ได้ถวายกับพระอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์จะจะทราบว่าผลแห่งบุญนี้ถ้าเราตั้งใจอุทิศให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เขาไม่รู้ตัวหรือเราไม่ได้กลับไปบอกเขาให้อนุโมทนาเขาจะได้บุญนี้พระเจ้าคะ่ะ ถ้าเขาไม่ทราบก็คงไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมารอรับส่วนบุญดวงวิญญาณของแต่ละคนนี้มีบุญมากน้อยไม่เท่ากันคนที่บุญบุญมากเขาก็จะไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของเราคนที่ไม่ได้ทำบุญไว้มีบุญน้อยคนที่ไม่ขาดบุญเนี่ยจำเป็นพวกที่จะมาขอรับส่วนบุญจากเราทีน แต่เขาต้องมาขอเราด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่มาขอเราเขาอาจจะไปที่ไหนแล้วก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ทำไปทำแล้วคือความจริงการทำบุญอุทิศนี่ส่วนใหญ่ประโยชน์เกิดขึ้นจากผู้ทำมากกว่าเพราอเราทำแล้วเราก็จะได้บุญต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นดวงวิญญาณมาคอยรับบุญของผู้อื่นใช่ค่ะดังนั้นควรจะทาบุญ เพื่อตัวเราแล้วเมื่อเรามีบุญส่วนหนึ่งเราแบกให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้แต่เราไม่สามารถให้ทั้งหมดที่เราทำได้เพราะเหมือนก็ต้องส่งไปทางไปรษณีย์ส่งของไปทางไปรษณีย์จะส่งบ้านไปก็คงไม่ได้ส่งบ้านทั้งหลังไปไม่ได้จะส่งแค่หลังคากรเบื้องไปงการอุทิศบุญก็เป็นแบบนั้นก็ช่วยได้บางส่วนนั่นเอง นั้นบุญจริงๆนี้ต้องเกิดจากการกระทาในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ท่านถึงใช้ อ, อุบายของการทำบุญอุทิศของให้ผู้ลงรับไปแล้วมาเป็นอุบายให้เราได้ทำบุญกันเพราะปกติเราจะไม่ทำกันถ้าไม่มีเหตุให้เราทำพอเราไปเราก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่ปราศจากบุญเพราะเราไม่ได้ทาบุญกันแต่ถ้าเรามีเรื่องมีดาวที่เราต้องทาเช่นคนตาย เราห่วงเขาเราก็ทำเพื่อเขาแต่ความจริงเราทำเพื่อเรามากกว่าเราจะได้บุญมากกว่าฉั้นไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่มียานอย่างทราบก็ขอให้เราทำเผื่อไว้ก็แล้วกันเผื่อถ้าเขามารอรับ ก, ก็เขาก็ได้รับไปถ้าเขาไม่รอรับ ก, ก็ก็เป็นของใครไปก็ได้อุทิศให้ดวงวิญญาณอื่นไปก็ได้ แต่ถ้าหากไม่ใช่ดวงวิญญาณแล้วเจ้าค่ะคือเขายังไม่ได้สิ้นชีวิตนะเจ้าค่ะอ๋อก็เขาทําเองได้มากกว่าไงแต่เขาไม่ทําไม่ได้เขาป่วยอะเจ้าค่ะก็ช่วยไม่ได้แล้วมันพ้น เ, เวลาที่จะทําจึงให้รีบทำพระเจ้าบอกอย่าประมาออททาในขณะที่เรายัางสามารถทําได้เพราะถ้าเราถึงเวลาที่เราป่วยหรือหมดสติเราทําอะไรไม่ได้แนละ้วตอนนั้นเห็นตอนนี้เรายัางมีสติยังมีอะไรทําได้รีบทำเสียห ร, รืออาจรีบเอาเงินเข้าธนาคาร ก่อนที่จะสายมันไปเดี๋ยวเข้าเอาไปฝากในธนาคารไม่ได้ก็ย่างที่ทราบมาว่ามีการสวดมนต์อุทิศกุศลหรือว่าทำบุญตัก บ, บาตอุทิศกุศลให้คนเจ็บไห้ได้ป่วยซึ่งเป็นความเชื่อท่นั้นน่ะเป็ความเชื่อออก ไ, <ม>ไปไม่ถึงเหรือเจ้าค้าไม่ถึงหรอตัวใครตัวมัน ต, ตาเัตโนนาเถอโรคทางร่างกายก็ต้องรักษาด้วย การพยาบาลรักษาด้วยยาเลยไม่ใช่มานั่งสวดกอนให้หายอย่างนี้นก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลให้มันเสียเงินเสียทองเลยเนหะมือนไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวกันแต่เชื่ออะเชื่อก็เชื่อไปมันเป็ความเชื่อก็ อ, กอยากจะเชื่อก็เชื่อไปอยน่นก็ไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บเสียถ้าเราสวดมนต์แล้วทำให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปก็ไม่ต้องมาสร้างโรงพยาบาลให้มันเสียเวลาลนะไปนั่งสวดมนต์กันทุกวันไม่ดีกว่าใช่ไหม มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายมนุทย์เจ้า ก, ก็ต้องเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดามันก็ถือว่าเป็นวาระที่เขาได้บำเพ็ญมาใช่มันเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติของร่างกายของทุกคนเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายกันทุกคน <Okay. S 1> ช้าเร็วต่างกันเท่านั้นเองแต่ถึงวาระมันก็ต้องไปถึงคิวมันพวกคนเรามีบาดคิวมั้ยเวลาราไปรอทําอะไรธุรกรรมที่ไหนธนาคารเขาบังคับให้บัาดคิวมัน อ่าเราก็นั่งรอ <S <S เดี๋ยวเขาเรียกเอาเบอร์นี่เชิญอ่าเราก็มีบัตรเควันอยู่เนี่ยของเราไม่รู้จะวันวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงมีกันแล้วทุกคนใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ถ้าสมมุติเกิด <S 1> <S 1> เขาจะต้องไปในที่มืดแล้วปรากฏว่ามีผู้มีบุญจุดเทียนนําทางให้เขาสว่างได้ไหมเจ้าค่ะก็นําตอนนี้ไงตอนที่มีชีวิตอยู่ไงออสอนให้เขาไปในทางที่ดีต้องเขาต้องทําเองอ่าต้องทําเองอ ตายไปแล้วช่วยไม่ได้นอกจากคนที่มียานอย่างทราบติดต่อ ก, กายทิพย์ได้ท่านถึงจะสามารถไปสอนได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ไปสอนพุทธมารดาได้แต่เป็นกรณีพิเศษคนต้องมีอภิญญามีมีมมอภิญญามีตาทิพย์หูทิพย์ที่สามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้คร<ม>ูบาอาจารย์บา ง, บาาบางรูปท่านก็มีกะตาทิพย์หูทิพย์เช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็เทศสอนทุก เทพได้เี่แต่ถ้าภูบาจารุถ้าไม่มีท่านก็สอนไม่ได้สอนได้แต่คนที่มีรูปร่างหน้าตาทัานนี่มีร่างกายอนาคตนี่มีหน้าตาร่างกายบางทียังไม่สนใจจะเรียนเลยไม่ได้ไปสอนเพรานั้นมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนอถ้าไม่สนใจทําต่อให้มีพุทธเจ้าเกาะชายผ้าเหลืองพุทธเจ้าไปก็ไปก็ไปไม่ได้ พราะมันจะไปตามพุทธเจ้านี่ต้องไปด้วยการปฏิบัติตามคําสอนนัไม่ใช่อยู่ดีๆจะให้คนลากไปพาเข้านิพพานไปพาขึ้นไปสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้พระเจ้ามันอยู่ที่การกระทําของเราบุญหรือบาปทําบุญก็ไปสวรรค์ทําบาปก็ไปอบาบัยแต่ต้องทําเองใช่คนอื่นทําให้เราไม่ได้อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขายอีกอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะหากเกิดเราจะต้องสิ้นชีวิต แต่เรายังมีสติเราควรจะวางสติเราไว้ในส่วนใดเจ้าคะบางคนบอกว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธบางคนบอกว่าให้ปล่อยวางจิตให้นิ่งเฉยเราจะทำส่วนใดถึงจะไปได้โดยที่ไม่ต้องมาเวียน่ายตายเกิดอีกเจ้าคะ่ะก็นิ่งเฉยเนี่ยดีที่สุด<อ>ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยให้ทุกอย่างปเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เราเพียงแต่รับรู้เป็นเหมือนคนดูทีวีดูหนังไม่ต้องไปไม่ต้องไปอินกับหนังที่เราดูดูเฉยเฉยไม่ต้องมีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูทำได้หรือเปล่าถ้าไม่ฝึกมันทำไม่ได้แล้อ mm hmm. พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจเราจะวุ่นจะปวนขึ้นมาทันทีถึงต้องมาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันเนี่ยสร้งางบ้านสร้างยารักษาโรคของใจ ถ้ามีบ้านมียารักษาโรคขงใจเราก็จะสามารถที่จะทําใจให้นิ่งได้ปล่อยวางได้แต่อยู่ดีๆจะทําให้ทําตอนนี้มันทําไม่ได้เพราะมันตอนนี้มันยึดมันติดกับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาแต่พออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดเป็นอะไรไปเราจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีก็คือให้นั่งให้คิดให้มีติตอยู่ในสมาธิาแล้วก็มีปัญญาตัด ตัดทุก อ, อย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้เจ้าค่ะไม่มีอะไรจะอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันหนึ่งจะต้องมีการสิ้นสุดลงในการพัา ก, ก, กจากการเป็นธรรมดาไม่ห่วงหาอะไรว อ, อะไรอวอรเลยนะเจ้าค่ะไม่เลยถ้า่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เจ้าค่ะอานาโยหมดความห่วงใยเจ้าค่ะอานาโยสิ้นสิ้นความห่วงใยกร่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะ น้ตซื้อจะมีหลวงพี่ที่อยู่ด้านหลังท่านต้องการถามใช่ไหมกรรมหมดแล้วเลยโอเคอย่างนี้ก็แล้วไปคุณยอบีมีอะไรยอยากถามอีกไหมถามได้นะถ้ายังสงสัยอะไรอยู่พระอาจารย์ขาเออบางคนเนี่ยเจ้าค่ะขณะที่ทำบุญมาขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ทำบุญมา แต่ปรากฏว่าพอเขาเจ็บป่วยเขาเกิดนอนไม่หลับแล้วเขาก็อยากจะได้ยานอนหลับรับประทาน mm hmm. แต่พอรับประทานเสร็จ mm hmm. เขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะสิ้นชีวิตนะเจ้าคะ่ะ mm hmm. พอทานยานอนหลับเสร็จก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเอย่างนี้จิตวิ ญ, ญญาณเขาจะไปโดยมีสติหรือไม่มีสติเจ้าคะ่ะนี่ไม่มียานอนหลับกํากับอยู่เจ้าค่ะเขาก็จะมีเท่าที่เขามีแต่พอเวลาหลับก็ตอนนั้นไม่มีสติ แต่พอไม่มีสติแล้วบุญกรรมก็จะเป็นผู้ที่จะพาเข้าไปเองถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ไปสู่สุขสติออืถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะพาไปสู่ทุกขสติไปสู่บายออืพอไม่มีสติแล้วก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของบุญกับบาปที่จะทําหน้าที่ต่อไปคตอนที่เรามีสติเรายังควบคุมใจเราได้ไดฝืนบาปฝืนบุญได้ฝนแต่พอไม่มีสติแล้วก็ต้อง เป็นไปตามมันเข้าเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้รถมันก็วิ่งไปเปลี่ยนเกียร์ไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราไม่ใช้เกียร์อโอตโต้เราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ออืตอนที่เราไม่หลับตอนที่เราไม่ตายเรายัางสามารถปรับทิศทางของใจเราได้เพราะฉะนั้นสติสําคัญมากนะเจ้<ม>าค่ะมากที่สุดพระเจ้าตรัสว่าสตินี่เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งถ้ามีสติเต็มร้อยนี้สามารถสั่งกห้มนไปนิทานได้ออ S <S <S แต่ถ้าไม่มีสติมันก็แล้วแต่บุญหือบาปจะดึงไปอเจ้าค่ะโอเคนมีน <S <S ท่านอยู่อยู่ข้างหลังอยากจะถามต่ อ, อขอบคุณเจ้าค่ะค่ยส่งไปที่นันต่อค่ะ ข, ขอถามนะคะว่ า, าสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่ได้สนใจที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอะคะ่ะ เป็นจะอายุประมาณสักสิบขวบขึ้นไปนะคะกำลังจะเข้าวัยรุ่นเนียค่ะคือเราต้องทำเพราะเราทำเขาก็ทำตามเราแตาเราเราให้เขาบอกให้เขาทำแต่เราไม่นั่งดูทีวีเขาก็มาดูทีวีกับเราอ๋อแสดงว่าถ้าเราทำเขาก็จะทำด้วยใช่ไหมใช่แล้วกินอะไรเขาก็กินตามที่เรากินเนี่ยเราพูดอะไรพูดภาษาอะไรเาก็พูดตามภาษาที่เราพูดเราเป็นครูเขาเป็นอาจารย์ของเขา ถ้าเราไม่ทําหน้าที่เองเราอยากให้เขาสวดมนต์แต่เราไม่ทําเองทําเป็นตัวอย่างเราต้องทําให้ทํากับเขาร่วมกับเขาเนี่ยมาวัดนี้ก็พาเข้ามาด้วยเขาก็จะติดวัดต่อไปอแต่ถ้าเรามาแล้วปล่อยก็เล่นเกมเขาจะติดเกมนั่น <ะ S 2> อ, อยู่ที่การกระทําของเราเราต้องทําร่วมกับเขาตอนที่เขายังอยู่ภายใต้การปกครองของเราอยู่แต่พอโตแล้วทีนี้ก็อยู่ที่องนิสัยเดิมของเขาแล้ะ ทันทิศสายเดิมเขาไม่ชอบส่วนมนต์เขาก็อาจจะไม่สวดต่อก็ได้แต่ถ้าบางทีการฝึกของเราทําให้เขาติดทิศสายขึ้นมามเขาอาจจะสวดต่อตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้ค่ะ mm hmm. ต้องเราต้องฝึกเขา mm hmm. ทุกอย่างเขาเรียนรู้จากเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว mm hmm. อาหารที่เรากินเขก็กินตามที่เรากินใช่ไหมะ mm hmm. อะไรต่างๆเราทําอะไรที่บ้านเขาก็ทําตามเราภาษาที่เราพูดก็ เราพูดภาษาเรียบร้อยเขาก็เรียบร้อยตามเราเราพูดภาษาไม่เรียบร้อยหยาบคายเขาก็พูดหยาบคายตามเราออืเราเป็นผู้สอนเขาทั้งนั้นนหะค่ะอแต่ถ้าบางทีเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาก็าช่วยไม่ได้ <laughs> ทำํำไงค่ะก็แล้วแต่เขาอยู่กับใครคนนั้นก็มีที่พ้นต่อเขาออืพรูอาจารย์ถึงสอนให้เลือกคบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดีคบคนไม่ดีเขาก็จะมีที่พลในการให้เราทําสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราพบกับคนดีเขาก็จะมีที่ผลที่จะให้เราไปทําความดีคให้เลือกคนรู้จักคบคนคบคนดีคนฉลาดอย่าไปคบคนง้อคนคนไม่ดีค่ะค่ะขอบคุณคุณเจ้าค่ะพ่อแม่เราเป็นคนไม่ดี <laughs> เราไม่รู้สึกตัวพ่อแม่กินเหล้ากรุ๊บกรุ๊บกรุกันสูบกัญชานในบ้านนี่ลูกมันเห็นแล้วมันก็ติดตามนิสัยของพ่อแม่ใช่ไหม อย่าไปเป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูลูกปูลูกให้เดินตรงๆนะแม่อย่าอย่าเดินเฉไปเฉมาแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉไปเฉมาลูกมันจะทํามันจะไปเดินตรงได้ยังไงมันไม่เคยเห็นคนเดินตรงว่าเดินยังไงมันก็เดินตามแม่ค่ะค่ะงั้นก็คือควรจะพาเขาเข้ามา ในบรรยากาศที่เห็นสิ่งที่ดีสิ่ง ท, <ำ>ที่ควรทำกิจกรรมที่ในสิ่งที่ดีทําให้มันเป็นนิ ส, สัยไม่ใด้ทําแค่ครั้งสองครัง้งมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะแยกตัวไปอยู่ ข, ของเขาเองเราควรจะมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเช่นไปวาดร่วมกันนั่งไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านร่วมกันฟังเทศฟังธรรมร่วมกันอะไรมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไป ถึงเวลาเขาก็าจะทำกันค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านอยู่ข้างหลังเดี๋ยวส่งไปข้างหลังต่อกับเรียนพระอาจารย์ขอโอกาสในการพิจารณาการสอบถามปัญหาเรื่องภาวะภาวนาผมจิตของผมตั้งมั่นแล้วก็เห็นใจตัวเอง แต่ว่าสักพักหนึ่งประมาณสักสามนาทีมันก็หลุดมันจะออกไปข้างนอกแล้วเราก็ดึงสติกลับมามันก็ตั้งมั่นอีกแล้วมันก็หลุดไปอีกแล้วก็กลับมาตั้งมันเป็นอย่างนี้ประมาณ3ามสี่ครั้งตลอดสองสัปดาห์อยากถามว่าทําไมสติมันตั้งมั่นไม่ได้ตลอดกําลังยังน้อยไปกําลังสติยังน้อยไปฝึกสติมาน้อยต้องฝึกสติให้มากกว่านั้น แล้วคำว่าตั้งมั่นนี่หมายความว่าเป็นคานิกะไหมฮะเห็นใจตัวเองฉนัจะเรียกชื่ออะไรมันก็ได้ไม่สําคัญสําคัญเรื่อมันจะนิ่งได้นานเท่าไหร่ถ้านิ่งได้เดียวเดียวก็เรียกว่าคานิกะถ้านิ่งได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเราจะให้มันต่อเนื่องนี่มีอุบอุบายต้องใช้สติเพิ่มมากขึ้นพุทโธต่อไปอย่าเพิ่งนุกอย่าเพิ่งเนิอดูนมต่อไปแต่ทางที่จะดีควรจะทําให้มากก่อนที่จะมานั่งดูซ้าไป คนฝึกสติให้มากตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับยพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อสามปีก่อนมาหาพระอาจารย์ปฏิบัติครั้งละวันละประมาณสามชั่วโมงพอพระมหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แนะนําวิธีนี้ก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นห้าถึงหกชั่วโมงทําให้การตั้งม่านนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันยังตั้งม่นไม่ต่อเนื่องครับอาจารย์ต้องทั้งวันทั้งคืนก็ <c oughs> เข้าถึงมาบวชไง เราก็รู้ว่าถ้าเป็นค า, าราวา์มันไม่มีเวลาพอเพราะมันต้องไปคิดเรื่องอื่นเรื่องทํามาหากินเรื่องคนนั้นคนนี้แต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีเรื่องราวให้คิดแล้วก็สามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้ตลอดเวลาลเราจะนั่งสมาธิมันจะนิ่งได้นานสิทธิ์ขอากาบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ครับสิทธิ์ขอลากลับบ้านก่อนนะครับสาธุครับ ขอให้ขอบคุณด้วยการปฏิบัติตามเรากัน<ม>ปฏบิบัติบูชาน ะ, ะมีใครหมดแล้วใช่ไหมคุณโยมมี้ก็วันนี้ให้คุณโยมหมดเลยนานนานนา ท, านาทีเอาให้เต็มที่เลยกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าเราควรจะฝึกสติ ตลอดเวลาถ้าได้ก็จะดีนี้ระหว่างการฝึกสติก็หมายถึงว่าพอตื่นขึ้นมาเราจับพระพมแล้วก็ถูก้าอ้อนี่พระพมพระพมก็คือพระผมเดินไปแปลงฝันก็จีตอยู่ที่การแปลงฝันนะเจา้าคให้คิดเรื่องอื่นไม่ให้คิดเรื่องอื่นเลยแต่บางครั้งการ จับสัมผัสต่างๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสบางครั้งเราก็คิดไปถึงว่าอ๋อนี่เป็นดินนี่เป็นน้ํา อ, อันนี้เคลื่อนไหวไอย่างนี้ไหมคะไม่คิดเลยให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเราองทําอะไรก็พอออให้หยุดคิดมัตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดอก็การหยุดคิด ไม่ต้องไปพิจารณาว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไม่ต้องคิดออให้รู้เฉยๆให้ใจนิ่งอย่าไปพากให้เป็นหนังหนังเงียบออเจถ้าดูหนังกป็หนังหนังเงียบไม่มีเสียงรู้ว่าเดินก็รู้ว่าเดินไปเรื่อยๆก็แบบดูหนังอะดูหนังเงียบไม่มีใครเขาพากไว้ตอนนี้กําลังเดินกำลังทําน่นทํานี่อะไรไม่ต้องทำให้รู้เฉยๆไปอให้ดูเฉยๆให้จิตรับรู้เท่านั้นเท่านั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ให้จิตตั้งอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวอ ม, มันจะได้นิ่งไงพอคิดแล้วมันไม่นิ่งพาที่มันทํางานแนละ้วหากเกิดได้เสียงคนทะเลกกาะกันเรากไม่ต้องสนใจก็อยู่กับที่ที่ร่างกายที่เราเป็นตัวผูกไว้ไม่ไปที่อื่นอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวจะได้ยินเสียงอะไรมากัดมาเห่าคนทะเลาะ ก, กันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็กลับมาที่ร่างกายของเรากลับมาที่ทเรากําลังซักผ้าเอ่าใช่ทำอะไรอยู่ก็อยู่กับงานที่เราทําต่อไปหากเกิดเรา ไม่ได้อยู่ในที่สักผาเกิดแวบหนึง่งแต่เราก็นึกขึ้นได้แล้วก็พุทโธได้ไหมเจ้าค่ะพุทตะตัดไอเสียงที่หมาเห่าไ ด, าได้ถ้าเราไม่สามารถดึงมันกลับมาได้ใช้พุทโธดึงกลับก็ได้ช่วอใช้พุทโธแทนกับร่างกายได้สลับกันได้ออเจ้าค่ะคือพิจารณากายขต า, าสติแล้วสลับกับพุทโธไห้รู้เฉยเฉยไม่ให้พิจารณาททรให้รู้เฉยเฉยเจ้าค่ะให้สักจว่ารู้ออืรู้ว่าร่างกายกาลังทําอะไรอยู่ แล้วรูอร้ อ, อยู่ทำบริการพูดโธพูดโธอย่างเดียวเพือหยุดความคิดปรุงแต่งตา่างๆการหยุดความคิดตรงนี้ก็คือฝึกความตั้งมั่นเลยเจ้าค่ะให้มันเป็นสมาธิให้มันนิง่งพอมานั่งพอนั่งเฉยๆมันก็ยันนิ่งได้เต็มร้อยเพราะขนาที่เราเคลื่อนไหวจิตยังต้องคอยควบคุมบังคับร่างกายสัง่งร่างกายให้เคลื่อนไหวอยอยจิตยังทํางานอยู่ก็ยันิ่งเป็นสมาธิไปได้จนกล่าเราจะมานั่งนิ่งเฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้ว ทีนี้เราก็พุโตต่อแล้วดูลงต่อ <Okay. S 2> เดี๋ยวมันก็จะนิ่งเต็มร้อยขึ้นมาแล้วเมื่อไร่เราถึงจะพิจารณาแบบเออเอกเอกเอกภาคให้เราชำนาญทางสมาธิก่อนออให้เราเก่งทางสมาธิก่อนเห<อ>มือนขับรถ ใ, ให้ขับให้เก่งก่อนจะก่อนที่จะไปขึ้นขึ้นทางด่วนหรือไปลงแข่งเนี่ยเขาต้องหัดขับให้มันเก่งก่อนทํานานก่อนเอข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังจอดได้จอดรถ จ, จอดอะไรได้ ก่อนให้ชำนาญแล้วค่อยไปออกบุญท้องถนนใหญ่ต่อไปอนั่นอีกขั้นงเรียกว่าปัญญาอตอนนั้นไปพิจารณาได้อะไรมาสัมผัสกับพิจารณาเป็นตายลักไปหมดออไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราวันนึงจะต้องมีการสิ้นสุดลงต้องมีการท้าทากจากกันการพิจารณาอันนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งพิจารณ<ม>าเดิ น, ไ, นไปก็พิจารณาเจออะไรเห็นหน้าตาแฟนเราก็ไม่เที่ยงเห็นลูกเราก็ไม่เที่ยงอเห็นสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่ก็ไม่เที่ยง มันต้องเห็นทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเจ้าค่ะแล้วก็คิดสลับมันก็ได้ถ้าเหนื่อยก็กลับไปหยุดคิดไปนั่งสมาธิพักทำออในสมาธิสลับทาสมาธิกับปัญญา อ, อ๋อเจ้าค่ะ พระอาจารย์บอกว่าให้เข้าไปในบ้านที่ปลอดภัยใช่ให้มันเย็นออกไปทํางานแนละ้วมันเหนื่อยแล้วก็กลับไปบ้านพักผ่อนอปัญญาเป็นการทํางานเป็นการไปกําจัดกิเลสข้าศึกศัตรูต่างๆพอเราเหนื่อยแล้วก็สู้ไม่ไหวล้วก็พักก่อนแล้วเราค่อย ก, กลับมาพข้าขมาพักพอมีกําลังก็ออกไปสู้เข้ใหม่ครับูกค่ะต่อไปแล้วก็ชนะแล้วก็ปราบมันหมดได้อโอเคนะขอบพระคุณเจ้าค่ะ วันนี้คิดว่าทางบ้านนี้ของไว้ไหนึ่งวันนะก็มันใกล้จะหมดเวลาแล้ว ก, ก็ขออนุทดากับคำถามทุกคำถามที่มีคุณมีประโยชน์กับทุกท่านนะก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความการจ ะ, ะจะถามอะไรจะพูดอะไรขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อวความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ